พระบัญญัติ821ก็ภิกษุณีใดออกปากขอหรือใช้ให้ออกปากขอคั่วหรือใช้ให้คั่วตำหรือใช้ให้ตำหงหรือใช้ให้หงเข้าเกลือบดิบแล้วฉันต้องบำบัดมาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ